วันนี้เป็นวันมหามงคลอันยิ่งใหญ่จา่พี่น้องชาวพุทธเราซึ่งสมบูรณ์ด้วยพระและประชาชนศรัทธาทั้งหลายมารวมกันเป็นมหาสมัยในครั้งหนึ่งในปัจจุบันนี้ <c oughs> เพราะพระที่จะมีจำนวนมากขนาดนี้มาปรากฏรวมกันด้วยความเเพอขอใจใคร่ต่อหลักธรรมหลักวินัยคือศาสนาและชาติบ้านเมืองในวันนี้จึง 7, จิตจักเป็นวันมหาหมงคลแก่เราทั้งหลายและพร้อม กับการได้เห็นได้ยินได้ฟังพระเจ้าพระสงฆ์ส่วนมากที่มาที่นี่มากจะอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อขวนขวายหาอัฏหาธรรมในสถานที่ต่างๆกันส่วนมากเป็นป่าเป็นเขาแล้วท่านก็ได้อุตส่าห์ออกมา สู่สถานที่นี้ซึ่งเป็นจุดใหญ่คือวัดโศการามเป็นศูนย์กลางแห่งพระปฏิบัติทั้งหลายรวมอยู่ที่นี่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ท่านพ่อดีท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขร่งครัดในหลักธรรมในมีความศักด์ความจริงเต็มองท่านท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น <c oughs> มาตลอดแล้วมาสร้างวัดสโสกรามขึ้นมาจนกระทั่งปรากฏเวลานี้วัดสโสกรามเรากลายเป็นศูนย์กลางแห่งพระปฏิบัติทั้งหลายมารวมกันอยู่ที่นี่นี่การที่เราทั้งหลายจะได้พบได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ซึ้นมุ่งหน้าปฏิบัติศีลธรรม มาโดยลำดับแล้วมาปรากฏองท่านในสถานที่นี้จึงเป็นบุญกุศลอันล้นพ้นของพี่น้องทั้งหลายาทามท่านแสดงไว้ว่าสมนานันจะดัดสนีการเห็นสมณนคือผู้สงบกายวาจาใจจากบาปจากกรรมทั้งหลายนั้น เป็นมหามงคลอย่างยิ่งนประการหนึ่งประการที่สองสมนานุตริยะคือการเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจจากบาปนั้นเป็นการเห็นอันสูงสุดที่พี่น้องทั้งหลาย ที่ทั้งทางใกล้ทางไกลก็ได้อุตส่าห์พยายาได้มาพบพาเห็นแล้ววันนี้จำนวนพระเป็นพันๆหมื่นๆเราก็ได้เห็นในวันนี้แล้ว <c oughs> นี่เป็นมงคลอันสูงสุดสำหรับท่านผู้เห็นสมณะคำว่าสมณะนั้นท่านแสดงท่านแย่ออเป็นสีประเภทด้วยกัน สมณะที่หนึ่งได้แก่พระโสดาคือพระอริยบุคคลนั่นแหละสมณะที่สองได้แก่พระสกิทาคาสมณะที่สามได้แก่พระอนาคาสมณะที่สี่ได้แก่พระอรหัตตบุคคลทั้งสี่ประเภทนี้ท่านเรียกรวมลง ในมงคลนนสูตรนั้นว่าสมณา น, นั้นแะรัชนะคือเห็นสมณะเหล่านี้เป็นมงคลอันสูงสุดแล้วสมณะทั้งสี่ประเภทนั้นในครั้งพุทธกาลเคยมีอยู่ชั้นใดในครั้งนี้ก็ย่อมมีอยู่ชั้นนั้นเหมือนกันนอกจากแต่ว่ามีมากน้อยต่างกันเพียงเท่านั้น จะปฏิเสธว่าสมณะเหล่านี้ไม่มีนั้นไม่ได้นอกจากคนตาบอดหูหนวกไม่สนใจในอัธรรมบุญบาปประการใดเลยมีแต่การลบล้างความดีงามหรือสิ่งดีงามที่ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทรงไว้ให้สูงในอันตรรานโายด้วยปากโสกปกของตนเท่านั้น หลักความจริงไม่มีใครเกินศาสดาคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอันเลิศเลอเป็นศาสดาของโลกทั้งสามได้ก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านตรัสรู้ธรรมธรรมที่เลิศเลอในเบื้องต้นก็ไม่มีใครค้นพบมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นทรงค้นพบ แล้วนำมาชี้แกงแกบ่บรรดาศัตว์ทั้งหลายมีภิกษุวริสัตเป็นต้นด้วยสวากขาตาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่คือศาสดาองค์เอกธรรมก็เป็นธรรมชั้นเอกและนำสั่งสอนด้วยธรรมชั้นเอกนั่นให้ผู้ปฏิบัติ บ, บำเพ็ญ ได้ความรู้ความเห็นได้กติเครื่องเตือนใจจนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ตั้งแต่สมณะที่หนึง่งถึงสมณะที่สี่คืออาหัตตบุคล <c oughs> สมณะทั้งสี่ประเภทนี้ไม่ได้สูญสิ้นไปจากพุทธศาสนาของเราทั้งหลายที่เทิดทูนอยู่เวลานี้อาการลิโก การปฏิบัติบำเพ็ญของผู้มุ่งอักมุ่งธรรมทั้งหลายยังมีอยู่มรรคผลนิพพานหรืออริยบุคคลทั้งสี่ประเภทหรือสมนาสีประเภทนี้ย่อมเป็นเงาเียมเตรียมตัวต้องได้รับมรรคลับผลเป็นลำดับลำดามาจึงสมชื่อสมนาม ว, ว่าศาสดาวงเอ ไม่ใช่ศาสดาหลอกลวงลวงลวงสงสา ร, รมักผลิพานกล่าวถึงแต่หาความจริงไม่ได้อย่างนี้ไม่มีในศาสดาของพวกเราทั้งหลายเป็นศาสดาองค์เอกทำอันเอกผู้ปฏิบัติทำตามศาสนาธรรมที่ศาสตร์ไว้ชอบแล้วนั้นย่อมบรรลุมีสิทธิที่จะบรรลุธรรมไปได้ตั้งแต่กัญญาณปุปถุชน จนถึง อ, อริยบุคคลขั้นอรหัตตบุคคลเป็นขั้นสุดยอดแห่งธรรมนี่เป็นผลเกิบถึงได้จากพุทธศาสนาของเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นพุทธศาสนา ึเป็นศาสนาที่ทรงมากทรงผลตลอดมานับแต่ครั้งกุศการมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะทรงมากทรงผลแก่ผู้ปฏิบัติตลอดไปสมนามในพระธรรมว่าอากาลิโกไม่มีการสถานที่เว ล, เวลาใดที่จะมาเป็นอุอลปสรรคขวางหรือลบล้างได้เลย เมื่อมีผู้ปฏิบัติตามศาสนาธรรมอยู่นักผลนิพานต้องเป็นแนวเทียมตัวของการปฏิบัติแห่งลายนั่นๆจะพึงเป็นผู้ได้รับสมบัติคือธรรมสมบัตินี้เข้าครองใจโดยลำดับลำดา ม, มาด้วยเหตุนี้ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจึง มีเป็นศาสนาที่ทําที่ประกาศท้าทายต่อความจริงทั้งหลายตลอดมามีท่านทั้งหลายที่เป็นพระจํานวนมากมายอุสาปฏิบัติตามอัตธรรมทั้งหลายก็พึงสังรวมระหว่างกายวาจาใจของตนตามแนวทางแห่งศาสดาที่ทรงประกาศธรรมไม่เรียบร้อยแล้วคือภาคปฏิบัติ เริ่มต้นตั้งแต่เราบวชบวชมามีศีลด้วยกันสมทานศีลจากอุปชัชฌามาโดยเรียบร้อยเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วขณะพี่ใดประกาศตนเป็นผู้มีรับศีล ร, รับศีลมาเป็นลำดับนี่ก็เป็นภาคปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติประจำกายวาจาใจของเราตลอดมา จากนั้นก็ปฏิบัติทางด้านอัจด้านธรรมให้เป็นความสงบเย็นใจเป็นลำดับลำดาอยู่สถานที่ใดให้พึงเป็นผู้สังรวมระวังมีหิโอตตปะประจําใจสังรวมอยู่ด้วยธรรมด้วยวินยัยไปที่ใดมาที่ใดอย่าให้ขาดสติ ซึ่งเป็นเครื่องรับรู้ตนเองว่าเคลื่อนไหวไปอย่างไรบ้างนับตั้งแต่กิริยาของจิตออกไปที่คิดดีคิดชั่วประการใดให้มีสติระมัดระวังยับยั้งไว้เสมอในความชิดที่เป็นภัยต่อศีลต่อธรรมของตอนการบําเพ็ญธรรมก็ให้บําเพ็ญด้วยความตรงอกตรงใจประหนึ่งว่า มรรคผลนิพพานนี้อยู่ตรงหน้าของเราอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นทางก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาให้มีความสังรวมระวังภายในจิตใจด้วยความมีหิริโอตปัป สังรวมระวังศีลของตนอย่าให้ด่างพร้อยจะ ก, กลายเป็นพระขาดบาทขาดตาแดงไปศีลไม่ครบองค์ของศีลที่ประทานไว้แล้วรับมาแล้วทำมามาทำให้ด่างพร้อยขาดทะลุศูนย์สิ้นไปหมดเหลือแต่โมคะภิกษุไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยยิ่งร้ายกว่าประชาชนที่เขาไม่มีศีลมีธรรมีิ เพราะฉะนั้นจึงต้องให้ระ ม, มัดระวังรักษาศีลซึ่งเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวงของเราแล้วสมาธิปัญญาก็พึงพากันเจริญทำตามรอยของศาสดาเพื่อมรักผลนิพพานเมื่อศีลก็บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วหาความเดือดร้อนหรือเทือกแกงสงสัยในศีลของตน อันจะก่อให้เกิดความดอดลอดไม่มีจิตใจก็พุ่งเข้าสู่จิตตาภาวนาโดยไม่มีความละแค่ละขายกับสิ่งใดด้วยความมีสติคือการภาวนาท่านตั้งหลายผู้บำเพ็ญมายังไม่ค่อยเข้าใจก็มีอยู่มากผู้เข้าใจแล้วก็พึงทราบว่าให้เพิ่มเติมความเข้าบเข้าใจของตน ให้สืบเนื่องไปโดยลำดับโดยความเป็นผู้มีจิตใจใกล้ต่อจิตตภาวนาการภาวนานี้เป็นรากเง่าแห่งพระพุทธศาสนาหรือเป็นสมบัติอันล้นค่าของพระผู้บวชนานบวชมาในพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นผู้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา เป็นลำดับลำดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงมรกญุนิาพากด้วยจิตตภาวนาคำว่าจิตตภาวนาได้จากการอบรมสั่งสอนจิตใจตนเองผู้ภาวนาพึงมีบทธรรมเพื่อตั้งรากฐานเบื้องตน้นอย่าปล่อยวางคำบรีกรรมนี่คือผู้ฝึกเบื้องตน้นจามธรรมดาของจิต ชอบคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางเดินของทิเลสมาดั้งเดิมมักจะคิดอยู่เสมอจึงต้องระงับดับความคิดอันเป็นทางเดินของทิเลสนั้นเข้ามาด้วยบทคำบริกรรมภาวนาโดยมีสติเป็นเครื่องการรกับรักษาเข้มงวดขวดขันเว ล, ลาภาวนาอย่าให้เผลอไปที่ไหนจากคำบริกรรม มีคำบริกรรมผูกมัดจิตใจไว้และสติเป็นนายควบคุมคำบริกรรมไม่เผอแล้วในวันหนึ่งหนึ่งก็ให้ทำอย่างนี้เรียกว่าเราสาะแสวงหาสมบัติพันล้นค่าคือทำเบื้องต้นให้ได้สมถะธรรมก่อนพยายามทำจิตใ จ, จของตนให้เป็นความสงบ จากอารมณ์ที่ขอควรซึ่งเนื่องมาจากกิเลสทั้งนั้นให้สหมุกตัวเข้าไปด้วยบทคำบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องระงับดับสิ่งวุ่นวายที่คิดปรุงอยู่เสมอจากกิเลสนั้นเมื่อคำบริกรรมของเราต่อเนื่องทำความคิดความปรุงในด้านธรรมคือคำบริกรรม แทนที่เลตที่มันเคยคิดเคยกลุ่มนั้นไม่คิดให้คิดแต่เรื่องคำบริกรรมเช่นท่านผู้ใดมีความรักใครหรือสนิทติดใจกับคำบริกรรมใดเช่นพุโทโธบ้างธรรมโมบ้างสังโฆบ้างตลอดถึงอรพาณาจติกในวงกรรมฐ า, านสี่สิบอ เป็นกรรมฐานที่จะระงับดับจิตใจที่ฟุ้งซ่านเท่าที่สู่ความสงบได้ด้วยคําบริกรรมทั้งนั้นให้เรานํามาบอดีกรรมจิตติดต่ออยู่กับคําบอดีกรรมนั้นตลอดเวลาที่เรานั่งภาวนาอย่างให้เผลอจิตใจมีหน้าที่อันเดียวเวลาคิดทางโลกมันก็คิดทางโลกทางธรรมเข้าแทรกไม่ได้ ทนี้เวลาคิดทางธรรมบังคับจิตใจทางกิเลศม่เห่นคิดในทางนั้นให้คิดเฉพาะทางธรรมคือคําบริกรรมของเราให้แน่นหนามั่นคงอยู่กับใจมีสติควบคุมอยู่เสมอนี่คือทางก้าวเดินเพื่อตั้งหลักตั้งฐานแห่งจิตใจในเบื้องต้นด้วยคําบริกรรมภาวนาผลจะปรากฏเป็นที่ พอใจในเบื้องตน้นคือความสงบใจใจนี้ปกติจะหาความสงบไม่ได้ดีดดิ้นอยู่ด้วยความคิดความพุงอันเป็นการผลักใสผลักดันของกิเลสออกทํางานเพื่อหารายได้ของมันแต่สร้างกองทุกข์ให้เราอยู่ตลอดมานี่คือเรื่องกิเลสทํางานบนหัวใจเราต่อ จากนั้นเราก็ให้เอางานของธรรมะคือคําบริกรรมเข้าแทนที่ไปทักแล้วทํางานในด้านธรรมะอีกทางด้านความคิดโดยที่กิเลสพาชุดลากไปมีด้านธรรมะขึ้นทําหน้าที่แทนทําหน้าที่แทนไปเรื่อยๆไม่ให้กิเลสมันมีโอกาสทํางานคิดปรุงอืม เราจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจนี้เป็นมิถีตั้งรากตั้งฐานแห่งความสงบในเบื้องต้นให้พากันตั้งอย่างนี้อย่าพากันทาสูงสี่สุห้านึกถึงบรีกรรมนึกถึงภาวนาเมื่อไรก็มีสติแยบหนึ่งแยบหนึ่งแล้วมานึกถึงคำบรีกรรมคำใดก็เพียงคำสองคำหายไป นอกจากนั้นมีแต่กิเลสเอาความชิดความปรุงไปทะลุเสียดทั้งวันทั้งคืนแล้วผลไะไรได้ก็คือความทุกข์ความดัดร้อนภายในใจหาหลักฐานมั่นคงภายในใจไม่ได้ทั้งๆ ท, งที่ตนก็สำคัญว่าตนเป็นนักภาวนาแต่ความจริงนักภาวนามีเพียงอย่างมาก 5% เปอร์เซ็น เ5เปอร์เซ็นเป็นเรื่องของเจเละเอาไปสลุเสียทั้งหมดมันก็ไม่คุ้มค่ากันที่เองผู้ปฏิบัติทิตตภาวนาไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะเหตุอย่างนี้เองถ้าเราต้องการให้ได้ผลเป็นที่พอใจเป็นลำดับลำดาให้พากันตั้งอกตั้งใจดำเรินทรงบ้างภาวนาดังที่กล่าวแล้วนี้ จิตใจสสงบสงบไปเรื่อยจากนั้นก็เป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าสมาธิคือความแน่นหนามัน่นคงของใจไม่วอกแวกครอนแคลงจิตใจอีม่มอารมณ์คืออารมณ์ที่จิตใจหิวก็หายอยู่ตลอดเวลานั้นได้แก่หิวอยากดูอยากรู้อยากเห็น ทางลูกทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆมีความหิวโหอยอยากสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานี่คือความหิวโหยของใจถ้าปล่อยให้คิดอย่างนี้จะหิวโหยตลอดไปและสร้างผลคือความทุกข์ร้อนมาสู่อีกใจของเราไม่มีเวลาสงบเป่ยนใจได้เลยนี่คือจิตหิวโหอยอารมณ์ พอจิตมีความสงบเย็นแนละก้าวเข้าสู่สมาธิเป็นลำดับจนกลายเป็นสมาธิที่แน่นหนาะมั่นคงเต็มที่แล้วอารมณ์เหล่านี้ไม่เข้ามากวนใจจิตไม่อยากคิดอยากกรุงเรื่องอารมณ์ทั้งหลายที่ที่เคยหิหวยมาดูด้วยความสงบเย็นใจเป็นเอ ก, กาตากิตเอ ก, กาตาลมประจำใจของผู้มีสมาธิ นั่งที่ไหนมีแต่ความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในใจอารมณ์อื่นใดที่เคยรบกวนไม่เข้ามารบกวนจิตอยู่เย็นเป็นสุขในอียบบททั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนด้วยความมั่นคงของใจที่มีสมาธิและอิ่มอารมณ์ตลอดเวลาจิตมีความสมาธิเต็มที่แล้วนั้น ไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไรเพราะเป็นเรื่องก่อขวดแต่ก่อนเราหิวหอยกับอารมณ์นั้นๆถ้าไม่ได้คิดได้ปรุงไม่ได้ดิ้นรนกรวนกวยอยากคิดอยากปรุงไม่แล้วไม่เลิกกนานทักทีสร้างแต่กองทุกมาให้ตัวเองทีนี้เมื่อเวลาจิตเป็นสมาธิแล้วจะอิ่มอารมณ์ความคิดความปรุงทั้งหลายหมุนตัวอยู่กับ เอาความเย็นความแน่นหนามั่นคงของใจเป็นเอกกตาจิตเอกาตาลงประจำใจความรู้เพียงจิตได้ดิ่งลงสู่สมาธินี้เท่านั้นก็ปรากฏว่าเป็นทิพาคภูมิใจไม่มีคำว่าอิ่มพอมีแต่ความดูดดื่มอยู่ด้วยความเย็นใจสบายใจตลอดเวลาเพราะเหตุนี้เองสมาธิจึงทำให้ผู้บําเพ็ญ หลงได้ติดได้ถ้าไม่มีผู้มาแนะนำในทางปัญญาจะติดสมาธิโดยไม่อาจสงสัยเ <c oughs> พราะสมาธิมีรสชาติพอที่จะให้นักบำเพ็ญทั้งหลายติดได้ไม่สงสัยเพราะเป็นรสชาติแห่งธรรมพิจ ก, กันกับรสชาติของโลกเป็นไหนๆเรื่องของโลกเป็นรสชาติของที่เลสผิดขึ้นมากินแล้วมีเบื่อหน่าย อันนี้อยากอันนั้นกินอันนั้ น, นดื่มอันนั้นเบือเ่อหนายนั้นมาดื่มอันนี้เบื่อหนคิดเรื่องนั้นเบื่อหนายนั้นมาคิดเรื่องนี้มีเรื่องของอารมณ์ของพิเลสถ้ารถก็เป็นอารมณ์ของพิเลสมีความลื่นเลงจะชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เอาไฟเข้ามาเผาในฉากหลังนั้นแหละนี่คืออารมณ์ของพิเลสแต่อารมณ์ของธรรม อยูด่ด้วยความดืดดื่มแห่งความสงบเย็นใจนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสบายหมดท่านผู้ทรงสมาธิธรรมด้วยการภาวนาของตนนี่นี่เมื่อเาจิตมีความสงบเย็นใจเป็นรากเป็นฐานได้พอก้าวเดินทาง ด้านปัญญาแล้วให้ขอให้ออกก้าวเดินทางด้านปัญญาอย่าอยู่กับสมาธิจะกลายเป็นนอนจมกับสมาธิแล้วอาจจะเป็นหมูขึ้นเฉียงไปนี่จึงต้องแยกจิตออกจากสมาธิแล้วก้าวเดินทางด้านปัญญา <c oughs> เมื่อเรามีความผาสุกเย็นใจจิตใจอิ่มพอกับสมาธินี้แล้วให้ก้าวเดินออกทางด้านปัญญา ปัญญานี่มีความกว้างขวาง ม, มากทีเดียวไม่ได้เหมือนสมาธิสมาธินี้เต็มขั้นเต็มภูมิของตนก็เหมือนกับน้ําเต็มแก้วน้ําเต็มโถมีมากเท่าไหร่จ้ามาเทเพิ่มเติมน้ําเต็มแก้วก็ไม่รับได้พเพราะน้ําเต็มแก้ว นี่สมาธิจะให้มีความแน่นหนามั่นคงเท่าไหร่ก็เต็มภูมิของสมาธิจะให้เลยจากภูมิสมาธิที่เต็มตัวแล้วไปไม่ได้นี่เป็นขั้นของสมาธิจากนั้นก็ก้าวเดินทางด้านปัญญาพิจารณาตามทางของศาสดาที่ประทานให้แล้วซึ่งเรารับมาตั้งแต่วันบวชท่านสอนว่าเกสาลุมาณขาทัานตาตะโจ เจสาคือผมผมเป็นยังไงผมขนเราทั้งหญิงทั้งชายตลอดถึงผมหมูผมหมาผมเป็ดผมไก่ผมวัวผมควายเรียกว่าขนไปเฉยมันก็ผมวเวลาเป็นผมเป็นไปได้หมดทางนั้นดูไปหมดผมเขาผมเราผมบุคคลหญิงชายผมสัตว์อะไรดูให้ทั่วถึงผมเหล่านี้เป็นยังไงอ่ามันสะอาดสะอ้านอะไรบ้างพิจารณาดี ชาร้างทุกวันทุกวันผมอันนี้แหละตัวถูกกระโปกใหญ่โตจึงต้องชาร้างทุกวันไม่ชาร้างไม่ได้นี่เอามาพิจารณาถ้าเป็นของดิบของดีจะชาร้างกันหาอะไรอยู่ที่ไหนก็ดิบก็ดีสะอาดสะานตลอดเวลาควรที่จะแน่ใจตายใจได้กับผมเนี่ยแต่นี้ตายใจไม่ได้ขนก็เหมือนกันแบบเดียวกันเอามาเทียบกันได้ทุกสว่วน ทุสสั์ตุกส่วนนี่วิธีการพิจารณาทางด้านปัญญาขอให้เริ่มก้าวเดินออกวานนี้เอาผมขนเล็บฟันกรรมฐ า, านห้าเป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินของปัญญาเราให้ใช้ผมขนเล็บเป็นยังไงนี่เดี๋ยวก็ดูแล้วเล็บคนกับเล็บหมาก็าไม่เห็นมีอะไรผิดกันมันสะอาดสะอาดมันสวยงามที่ตรงไหนที่ ต้องไปติดแปรพันธ์กัมันดีไม่ดีย้อมเล็บย้อมเล็บตัดเล็บย้อมเล็บให้สวยงามมันจะสวยอะไรภาษาเล็บทําไม่เป็นบ้าแล้วจะไปตกแต่งมาแล้วนะชะล้างให้มันพออยู่ได้ไปได้ทั้งเขาทั้งเหลา่าฉะนั้นก็พอําเป็นอะไรจะต้องมาตกแต่งมาทามาล้างเลยมาประดับประดาภาษาเล็บนั่นปัญญาให้พิจาจรานั้น ฟันเอาฟันพิจารณาที่ฟันแบบเนี้ยผมขนเล็บฟันหนังท่านแสดงไว้ในกรรมฐานหน้าฟันนี้เป็นยังไงฟันเขาฟันเหล่าฟันหญิงฟันชายฟันสัตว์ฟันบุคคลมันก็คือกระดูกอันเดียวกันอยู่ในร่างกายนี้เรียกว่าฟันความจริงแล้วก็คือกระดูกนั่นแหละมันวิเศษวิโสอะไรฟันอันนี้กระดูกอันนี้กระดูกเรากับกระดูกสัตว์ ต่างกันอย่างไรบ้างกระดูกหญิงกระดูกชายกระดูกสัตว์กระกระดูกเรากระดูกเขาเอามาดูสิกระดูกเป็นของสวยของงามที่ไหนฟังแต่ว่ากระดูกกระดูกเท่านั้นเองนี่เรามาย้อแฝงบอกว่าเป็นฝันเฉยๆความจริงก็คือกระดูกส่วนหนึ่งที่มาใช้งานในการบดเคี้ยวอาหารเท่านั้นอย่างอื่น เขาบดเชี้ยวไม่ได้จึงให้ชื่อว่ากระดูกข้อมือกระดูกข้อเท้าว่าไปตามธรรมดาแต่กระดูกนี้เดีย ว, ว่ากระดูกฝันเอามาบดเชี้ยวอาหารมันก็คือกระดูกนั่นเองนี่ให้พิจรารณาที่นี่กระดูกนี้มันสกรปรกหรือหรือมันสะอาดดูที่ตื่นขึ้นมาแล้วล้างปากล้างฝันล้างซะจนกระทั่งเลยเถิดเลยแดนมีอะไรมาเอามาเป็นความสะอาด ล้างปากล้างฟันยาถูฟันน้ำยาน้ำอะไรมาทามาล้างฟันให้มันสดสวยงดงามไปแบบเกล็ไปเสียมันก็มันจะกลายเป็นเกล็ดไปได้ทั้งทั้งที่กระดูกทั้งทั้งที่ฟันมันมีอยู่ด้วยกันหมดมันไม่ได้ติดใครแต่คนที่ว่าตัวนักรู่คือใจนี้แหละไปหลงเขายาพิจารณาจากฟันแล้วก็หนังเอาที่นี่นี่ วางพื้นฐานย่อๆยอยอไว้สำหรับท่านทั้งหลาย <c oughs> ที่นักปฏิบัติ <c oughs> ทำด้วยโดยทางปัญญาให้นำมาคตม า, <c oughs> มา <c oughs> ทิดมาค้นดังที่อธิบายมาแล้วนี่พูดแต่เพียงย่อๆยอนะเนี่ยที่จากนั้นหนังฟังสิ่งหนังหนัง คนเราทั้งหญิงทั้งชายหนังสัตว์หนังบุคคลอยู่คนเราที่ติดกันนี่ติดผนังมาตกแต่งผิวมันเพียงบางๆเท่านั้นไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยนะคนทั้งคนนี้มีเครื่องหลอกตาให้หลงได้ถนัดชัดเจนก็คือผิวหนังนี่เท่านั้นจึงประดับประดาตกแต่ง ทุกอย่างที่จะทําให้หลงหนักเข้าไปทีนี้เราพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องหนังพิจารณาหนังภายนอกเป็นผิวบางๆหลอกคนอภิกเข้าไปภายในดูหนังภายในจากนั้นก็ดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกตับไตไส้พุงในร่างกายของเหล่านี้เหมืนคืออะไรนี่คือปัญญาจะ พิจารณาเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดว่าเป็นของสวยของงามให้ลงสู่ความจริงความจริงก็คือว่านังก็สักแต่ว่าเครื่องหุ้มห่ออวัยวะที่โศกปลกโสมงนี้เท่านั้นไม่ใช่หุ้ม หุ่มหอ ห, อ, หอปราสาทราชมนตจียนอะไรหุ้มห่อซากผีดิบไว้ให้พอดูได้ด้วยกันที่เป็นจัดเป็นมนุษย์อยู่ร่วมกันเท่านั้นจตรมีหนังหุ่มห่อเอาไว้แล้วชาล้างถึงชาล้างขนาดนั้นหนังก็ไม่พ้นที่จะแสดงออกมาขี้เหนื่อขี้ใครซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของโสกโปกโสมง เต็มผิวหนังของเหล่านี้ล่ะต้องชะต้องล้างไม่ชะไม่ล้างไม่ได้สกรปรกเลอะเทอะอยู่ไม่ได้อะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหนังและร่างกายของเหล่านี้จะสะอาดสะอ้านขนาดไหนต้องชะต้องล้างต้องเช็ดต้องถูอย่างที่หลับที่นอนก็สวยงามสะอาดสะอ้านราคาแพงแพงทั้งนั้นบ้านเรือนแต่ละหลังและหลังสร้างขึ้นมากี่ห้องกี่หับ ว่าเป็นของสวยของงามของสะอาดสะอา้านพอคนเขาไปอยู่ที่ใด น, นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาค้าเล้ากับผนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งเครื่องผอมมาค้าเล้ากับขนกลายเป็นของสะกะปรกประจำตามกันหมดแม้สิ่งเหล่านั้นจสะสาดก็เพราะว่าร่างกายนี้หาความสะอาดไม่ได้ต้องซักต้องล้างอยู่เสมอไปอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้อง ชาต้องล้างทําความสะอาดในบ้านในเรือนมันขึ้นกับอะไรมันถึงได้ชาได้ล้างตลอดเวลาก็ขึ้นอยู่กับร่างกายตัวสกรปรกนี่เองมันไปอยู่ที่ไหนเลอะเทอะไปหมดคือร่างกายตัวสกรปรกนี่เองนี่ทางพิจารณาทางด้านปัญญาให้แยกแยะอย่างนี้ดูเข้าไปดูหนังแล้วก็ดูเนื้อเนื้อคนเนื้อสัตว์มันมีคุณค่ามีราคาและสวยงามที่ตรงไหน หนังกับเวลาถาลอกออกมาแล้วมาปูไว้เป็นยังไงน่าเกลียดมากไหมแล้วดูเข้าไปในเนื้อเนื้อไปยังไงดูเข้าไปเนื้อนี่แล้วมันสกรปรกหรือสะ อ, อาดเอ็นกระดูกแล้ยิ่งดูเข้าไปในกระดูกนี่เนี่ยมันทำไมมันถึงติดถึงพันนักจิตใจอันนี้แกะไม่ออกดึงไม่ออกไม่มีหําซ้ํายังส่งเสริมให้ติดแน่นเข้าไปอีกนี่ หลังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วดูเข้าไปในตับไตไส้ผุงของคนแต่และคนมีแต่ส่วงแต่ฐานเต็มผุงด้วยกันทางนั้นแหละเราออกมาดูกันได้เวลานี้ก็เพราะเอาสิ่งที่พอดูได้มาปิดบังไว้นี้มีหุอออ่นอวบ แล้ปกปิดกำบางไว้ด้วยการนุ่งการห่มซักฟอกไว้เรียบร้อยมาพบกันเข้าก็าพอหน้าดูหน้าชมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราเท่านั้นเองหลักความจริงคือธรรมาชาติเดิมของมันนั่นหาความส ะ, สะอาดไม่ได้นี่คือปัญญาพิจนารณาแยกแยะอย่างนี้แล้ว พิจารณาแล้วในเรื่องนี่ตรงกระทั่งถึงตับไตไส้ผุมอาหารเก่าอาหารใหม่ถึงส่วมถึงฐานในภูมิของเราดูแล้วทบทวนหลายครั้งหลายหนดูเพ่งแรงด้วยสติด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหน รงกระทั่งสติปัญญามีความคล่องแคล่วแกล้าดูอายวะของตัวนั่นเองเหมือนที่แรกก็เหมือนกันกับเราฝึกขัดเขียนหนังสือทั้งเขียนทั้งลบละเกะละกะเขียนแล้วลบเราเพราะเขียนไม่ชำนาญ มันก็ไม่ถูกตัวและเลอะเอทอะที่นี่เวลาฝึกหัดเขียนไปไหลายครั้งหลายหนมันก็ค่อยเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาอ่านก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเมื่อเวลามีความํำนานในการขีดเขียนแล้วพร่อมมองดูพับตอนนี้มันก็รูปเขียนกบเขียนวัดไปเลยนะเนี่ยเพราะความจำนานของการเขียนอ่านก็แบบเดียวกันอ่านวัดไปเลยนี่คือความจานาน การพิจารณาทางด้านปัญญาที่แรกก็ทูถ่ายไปมาล้มลุกคุกคลานเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้ซึ่งเป็นหินรับปัญญาผมขนแวบบ่นหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกอย่างเป็นหินรับปัญญาปัญญาจะคมคราขึ้นด้วยการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซ้าๆ ซ, ซากๆจิต ใ, ใจก็จะมีความสว่างสวัย และคล่องตัวขึ้นมาเป็นลำดับนีแหละหลักฐานเบื้องต้นที่จะเปิดทางเพื่อมรักผลนิพพานให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือส่วนร่างกายนี้แหละที่มันปกปิดกำวังภูเขาทั้งลูกานานานแน่นหาแน่นยิ่งกว่าอวัยวะภายในตัวของเราทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายมันปกปิดกำบังไว้หมดหญิงเห็นชายก็หลงชายเห็นหญิงก็หลงเพราะ นี่แหะมันหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกจึงเปิดทําลายภูเขาลูกนี่คือภูเขาภูเรานี้ออกเป็นด้วยปัญญาให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนโจนกระทั่งสติปัญญาคล่องแคลวแกว ก, า แ, กาแยกธาตุแยกขันออกไปเป็นดินน้ําเป็นลมเป็นไฟแยกลงไปเป็นอนิจจัง แปลสภาพทุกขังบีบบี้สีไฟตลอดเวลาอนาคตาหาความเป็นของสัตว์เป็นสัตว์เป็นบุคคลของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ทั้งทั้งตีโลกนีดถือกันตลอดมาขขเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นของไทยนี่แยกออกเป็นอนิจจังทุกขังอนาคตได้พิจารณาซ้ำซ้ำสัำสกสั ก, กด้วยการดําเนินปัญญาทีนี้เมื่อเวลาพิจารณาปัญญา มากเข้ามากเข้าจิตใจมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าย้อนเข้ามาสู่สมาธิเสียย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิบ้าเพนตางสมาธิคือจิตใจทําให้สบงบอารมณ์ยุดทางด้านปัญญาไม่ต้องคิดต้องผูกมุ่งหน้าต่อสมาธินนั้ด้วยความสงบใจหรืออารมณ์บริกรรมแห่งธรรมนี้เท่านั้นฮักอยู่ในสมาธิเมื่อจิตมีความ แน่นน้ำมันคงหรือความสงบพอเป็นปากเป็นทางของด้านปัญญาหนุนปัญญาได้แล้วให้ก้าวทางด้านปัญญาอีกตามเดิมนั่นแหละพิจารณาสิ่งที่เคยพิจารณามีเรียกว่าหินลปัญญาก้าวเดินอย่างนี้ตลอดไปให้เรื่องจิตใจของเราจะมีความเบาบางเบาบางแผ่วพราวขึ้นเป็นลําดับนะเพราะสิ่งอันนี้ปกปิดมันแต่ก่อน พอปัญญาเปิดออกเปิดออกจิตจะมีความสว่างสวยัยเบาเนื้อเบากายด้วยไม่เชรียดแต่เบาใจน ะ, ะเบาเนื้อบำกายคือที่จิตมายืดเรื่องกายมันก้อนหนักทีนี้จิตใจค่อยถอนลงไปถอนลงไปอะไรก็กลายเป็นเบาร่างกายไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็กลายเป็นเบาเพราะเนื่องจากเจ้าของเป็นผู้ยืดนี่ท่านพิจารณา ทางด้านปัญญาเอาให้เต็มเหนี่ยวในเรื่องร่างกายนี้เป็นสําคัญมากนักปฏิบัติทั้งหลายอย่ามองข้ามไปนะใครพิจารณาร่างกายนี้ช่ำทองเท่าไรผู้นั้นจะมีความแก้วกล้าสามารถเอาไละกิเลสเป็นลาดับลำดาไปจิตใจจะแตกฉานทางอัดทางทมไปด้วยนะการพิจารณากายะกะตาสตินี้เป็นการเบริกความรู้ให้กระจ่างแจ้งไปในทุกทิศ ท, ทุกทางการพูดการจา การโต้การตอบทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดออกร่วมกันด้วยกั น, กนเพราะอำนาจแห่งกายชกตาสตินี้สำคัญมากนะนี่การพิจารณาร่างกายนี้เมื่อถึงขั้นมีความละเอียดเข้าไปทางด้านปัญญาคล่องแค่วเข้าไปแล้วพิจารณานี้จะรวดเร็วมากทีเดียวมองเห็นสภาพทั้งเขาทั้งเรา จะรวดเร็วถ้าว่าเป็นอรูปะเพิบเดียวเป็นอรูปะหมดทั้งหลาทั้งเขาทั้งเหล่านั้นพิจารณาซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเป็นที่พอใจแล้วจิตใจของเรามีความแน่นหนามั่นคงเอาทดสอบดูการพิจารณาอสุภะอรูปังนี้สิ่งเป็นพื้นฐานควรแก่การที่จะถอดถอนการมักิเลได้แล้วด้วยการพิจารณาร่างกายนี่ช่ำชองแล้วให้กําหนด อาุอภะอาชุพังที่เราพิจารณาอย่างช่ำชองคือให้แตกให้ดับเร็วก็ได้ให้ช้าก็ได้ให้ตั้งอยู่เป็นที่เป็นฐานไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำลายก็ได้เมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าเราทําได้ตามต้องการเอาที่นี้เอาความคล่องแคล่วของจิตใจเราที่ทําอย่างนี้นั้นกําหนดอาุภะอาชุภังเอามาตั้งที่หน้าของเราที่นั่งภาวนาอยู่นี่แหละเอามาตั้งดูเอา้า อาุภาพอันนี้กําหนดขึ้นให้เป็นอาุภาะจะเป็นอันท่านั่งก็ได้ท่านอนก็ได้ให้เป็นภาพอาุภาปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเราจิตใจเราเพ่งปัญญาต่อเข้าไปตรงนั้นแล้วแต่ไม่ให้ทําลายเอาทตติ จ, จดจ่อไว้ไม่ภาพนี้มันเคลื่อนย้ายไปที่ไหนเอา้าวมันจะไปตรงไหนมาที่ไหนถ้ามันยังไม่พ อ, อกําหนดดูอยู่มันจะไม่เคลื่อนไหวไปที่ไหนอืม ถ้าการพิจารณาอสุภาษณ์ุปังยังไม่พอปัญญายังไม่พอที่จะปล่อยวางมันได้กําหนดอสุภาษุปังให้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแล้วกำหนดนานเท่าไหร่มันก็อยู่ที่นั่นนานนี่แสดงว่ายังไม่พอกับความต้องการเอาที่นี่ขยายออกอยู่พิจารณาอย่างเก่านั่นแหละให้มีความคุณธจรมนานเข้าไปเอามาตั้งอีกนี่เป็นการทดสอบตัวเองเพื่อเอาความจักความจริงตัดสินตนเอง ในเรื่องกิเลสตัณหาคือการมาราคะนั่นแหละเป็นตัวสําคัญเพราะตัวนี้มันพิลิกพิลัน่นทั้งหญิงทั้งชายสัตว์บุคคลทั่วโลกติดอันนี้กันทั้งนั้นเพราะไม่มีใครมาบอกมาสอนแม้แต่พระเรายิ่งติดมากยิ่งกว่าค า, ารวดก็มีเยอะเพราะไม่สนใจในธรรมก็หมุนปิ้วไปกับกิเลสตัณหาก็กลายเป็นความพลุญพลงังสร้างแต่ความเจ้าท่า ข, ขึ้นมาในหัวใจของตนนั่นแหละนี่ เราให้พิจารณาถึงอสุภะอสุปังีใ่ให้เต็มที่กําหนดให้ตั้งยังไงเอาตั้งกําหนดให้ทําลายเมื่อใดเอาให้ทําลายให้รวดเร็วเท่าไหร่ก็รวดเร็วนี่เมื่อมันทํานาอย่างแล้วแล้วกําหนดมาตั้งไว้ที่หน้าของเหล่านี่ยนะเอาทีนี้เอาความจริงจะดูความเคลื่อนไหวของอสุภานี่มันจะเคลื่อนไหวไปไหน เราจะหาความจริงจากจุดนี้คือจุดนี้เป็นจุดที่เราเข้าใจว่าทำนานแล้วเนี่ยการพิจารณาอสุภะแล้วเอาจุดนี้มาตั้งไว้กงหน้าขอ ง, งเราอ้ามันจะเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ต้องมีใครมาบอกบาสนเราดูไว้เวลานั้นอย่าทำลายอสุภะอสุภังที่ตั้งไว้นั้นในเวลานั้นหนอย่าทาลายอา้ามันจะเคลื่อนย้ายไปไหนมันจะไปข้างหน้าหรือมาข้างหลังหรือจะไปทางซ้ายทางขวาหรือจะเข้าจะออก ให้ดูความจริงอันนี้จะแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนเมื่อพอแล้วนะเมื่อพอแล้วธรรมชาตินี้จะหมุนเข้าไปสู่ใจิตใจของเราเองจะหมุนเข้ามาโดยที่เราไม่คาดอันนี้พูดจาบางนะผมเองก็ไม่อยากจะพูดมันมันจะเป็นเรื่องคาดเดิงหมายของผู้บำ เ, เพ็ญพอสัญญาหลงนีละเอียดมากไป่าดเราเสีย ว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังที่ท่านสอนไปเสียจึงไม่อยากจะพูดบอกแต่อย่างนี้ให้เป็นเครื่องตัดสินตนเองเอาพิจารณาอาุภะตัวนี้ให้ติมันจะเคลื่อนย้ายไปไหนเวลานั้นจะไม่ทํำลายเอามันเป็นยังไงนี่แหละพิจารณาปัญญาให้ถึงฐานแห่งตามมาเกเลสเอาดูตัวนี้เวลามันพอแล้วมันจะบอกเองนะอาุภะตัวนี้คือเราไม่ทําลาย ตั้งไว้นั่นแหละอ่ะมันจะไปไหนให้อยู่ในปัจจุบันของนี่แหละมันจะไปไหนนี่แหละเราจะไม่บอกในระยะจากนั้นไปให้เป็นเครื่องตัดสินของท่านผู้บำเพ็ญธรรมะขั้นนี้เองนี่เนื้อจากนั้นแล้ว น, นะผ่านขั้นนี้เข้าไปแล้วมันบอกเองเรื่องการมาพิเรเรื่องตัดสินมันจะบอกเองในตัวเองนี่จุดนี้เป็นจุดที่ตัดจะตัดสินการมาราคะตัดสินได้ โดยไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยถึงท่านอัจุป้าดูปงังมีความทำนี้ชํานาญแล้วตั้งไวองอ้อย่างนี้ดูอย่างนี้เอาถ้าว่าให้มันอยู่กับที่มันก็อยู่กับที่แล้วไม่เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนก็แสดงว่ายัางไม่พอเอาพิจารณาอีกเอาพิจารณาแตกกระจัดกระจายทําลายไปอีกตั้งหรือไมอ่เนี้ยมาทดสอบดูอีกนะเอาโจงกระทั่งมันอยู่นิ่งมันไม่ไปไหนมาไหนแล้วที่นี่มันจะไปไหนไปหาก ความตัดถินตนเองว่าใครเป็นคนหลงแน่หลันอัตชั่วภาคหลงหรือกิจใจเราหลงมันจะตัดถิ่นขึ้นมาในที่นั่นเองนี่เป็นจุดสาคัญเราจึงไม่บอกจุดนี้บอกแต่ต้นเหตุเปิดประตูให้ให้ให้เข้าเองนะเปิดประตูด้วยใสยเข้าไปด้วยมันเกินไปหลับครอกคลตั้งแต่ยังไม่เข้าไปในห้องก็ได้นี่นะวรา ง, งั้นถึงไม่บอกถ้าบอกมันจะฆ่าจะหมายไปก่อนเชียแล้วเป็นความสําคัญขึ้นมา ไม่ถูกต้องเป็นเครื่องตัดสินตัวเองปัจจัดเรียกว่าชันทิฏิโกหรือปัจจัดตั้งใหในธรรมพั น, นประจักแล้วทีนี้เมื่อมันประจักแล้วจะหายสงสัยเองละเรื่องที่เหล็กตัวนี้เป็นมาจากอะไรจากนั้นก็พยายามตั้งภาพอันนั้นแหละที่เคยเราพิจารณาเป็นมาตลอดนั้นตั้งขึ้นแล้วตั้งขึ้นไว้อย่างเก่านั้นแหละแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาหมุนตัวเข้ามา หัวใจของเรานี่เร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่ <c oughs> นี่การฝึกซ้อมปัญญาทางด้านการมริเผลอรุภาครุภังเป็นของสําคัญมากให้พิจารณานี้ <c oughs> จากนี้แล้วก็สภาพอันนี้ฝึกซ้อมเอามันปรากฏขึ้นมาแล้วช้าเร็วขนาดไหนมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเอาสภาพที่เราเคยกําหนดวันนี้แล้วว่าเป็นการฝึกซ้อมให้มีความจะนี้ชํานาญ ในข่านนี้ให้จนได้นี้แหละที่นี่พอได้ที่แล้วก็ฝึกซ้อมเรื่อยจิตใจจะละเอียดเข้าไปเรื่อยในภาพเหล่านี้ก็จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่แหละ <c oughs> พระอนาคามีท่านจึงไม่ลงมาเกิดอีกคือกายมันพิเรนี่เป็นตัวสําคัญมีแต่ดึงลงดึงลงท่าเดียวหมุนลงท่าเดียวให้สัตว์ตั้งหลายได้รับความทุกความลำบากเพราะกดพราะถ่วงบีบบีบสีไสอย่างลึกลับ ภายในจิตใจอยู่นั่นแหละนี้เมื่อเวลาได้เข้าใจในนี้แล้วเราก็ฝึกซ้อมนีนจิตใจของเราเมื่อได้ระดับแล้วเป็นที่แน่ใจว่าเอาเละที่นี้หมดแล้วขาดจากกันแล้วที่นี้ฝึกเข้าไปซ้อมเข้าไปอีกอันนี้จะมีความท <c oughs> ำนี้ทำนานไปอีกขั้นนึ่งมีความละเอียดไปอีกขั้นหนึ่งขั้ น, น, น, นเอาฝึกซ้อมเข้าไปเรื่อยๆนี่แหละนี้เองที่เป็นพักถีพยานตามที่ท่านแสดงไว้ในอันในธรรมว่า <c oughs> ถ้านาคามีนั้นเมื่อบันลุถึงขัานนาคามีแล้วท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกคือจิตดวงนี้จะไม่ถูกกดทวงดึงลงเหมือนแต่ก่อนเมื่อที่มีการมราคะผูกพันอยู่พอการมราคะสูดหลักใหญ่ของการมราคะขาดลงไปแล้วเรียกว่าสอบได้แล้วห0เปอร์เซ็ นี่นี่หมายถึงฐานะของเราผู้เป็นนัยยะผู้ได้รู้ชารู้เดี่ยวนี่ผมอบอกลําดับลำดับดไว้อันนี้พอ <c oughs> ได้รู้ชัดเจนนี้แล้วจิตใจนี้จะไม่หมุนลงนะไม่มีอะไรมาดึงใจนี่ลงมีกามกิเลสเท่านั้นดึงลงดึงลงตลอดเวลาพอกิเลสขาดออกไปในขั้นนี้แล้วจิตจะค่อยหมุนขึ้นเป็นลําดับ <c oughs> พิจารณา ฝึกซ้อมจิตใจดวงนี้แหละด้วยอสุภะดังที่เคยปฏิบัติมานั้นจิตใจจะละเอียดลงไปละเอียดจนไปและความหมุนตัวขึ้นได้เรื่อยหมุนขึ้นไปเรื่อยแล้วละเอียดขึ้นได้เรื่อยนี่แหละพระอนาคามีที่ท่านไม่กลับมาเกดิดีก็คือมีกามกิเกล็ดอันเดียวดัะนั้นดึงลงมาสู่นรกอเวกีได้เพราะกามกเล็ด <c oughs> ทีนี้พอนี่ขาลงไปแล้วจิตใจจะ เบาลงไปเบาวนไปเบาจกระลัง่งเบาหิวเบาหิ ว, หวกำหนดภาพกำหนดภาพซักฟอกตัวเองซักฟอกตัวเองในส่วนที่เป็นมวลทินอันละเอียดติดแนบอยู่กับกิตซึ่งอยู่ในขั้นอนาคามมที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่สิ่งเหล่านี้ ความมนทินเหล่านี้จะค่อยกระจายและหยาดลงไปแลยดลงไปด้วยการฝึกซ้อมของเราฝึกซ้อมแราวพราะหยากลงไปสลาจิตยิ่งหมุนสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยอย่างที่ท่านเทียบไว้ในสุทธาวาส้าชั้นนั้นนะอวิหาอตปาสุทัสสาสุทัสสีอคินฐานี่แหละระดับของพระอนาคามี พอได้ระดับเบื้องต้นที่ว่าสอบไล่ได้แล้วหากว่าตายก็จะไปเกิดในเ <c oughs> นี่ยเนี่ยอวิหาแล้วเลื่อนไปอตัตปาและเอยียดเข้าไปกสุทัสสาและเอยียดเข้าไปสุทัสสีและเอยียดเข้าไปทั้งทั้งที่ยังไม่ตายก็รู้เป็นลาดับและเอยียดเข้าไปเต็มแล้วกลับขึ้นอากตินิฐานี่เป็นชั้นที่ห้าของสุทาวาทหาชั้น พอจากท่านมีแล้วก็ดิดถึงก้าวเข้าสู่นิพพานเพราะฉะนั้นพระนาคามีเมื่อสําเร็จเป็นพระนาคามีแล้วท่านจึงไม่กลับมากเกิดอีท่านจะถ้าวัดเติดก็ไปเกิดนาวิหาตปาเสาือสาวฤษีเลื่อยไปแล้วพร้อมที่จะไม่กลับคืนมาไปจนกระทั่งทะลุพระนิพพานไปเลย <c oughs> นี่ภาคปฏิบัติขอให้พระลูกพรหลานทั้งหลายจำเอาไว้ พิจารณาอย่างที่ว่าวันนี้จําให้ดีด้วยจําไม่ดีภาคปัญญาที่ออกการพิจารณาทางด้านปัญญานี่เราต้องพิจารณาให้เต็มเม็เต็มหน่วยถึงการเวลาพิจารณาเวลาที่จะเข้ามาพักสมาธิมีความสงบคือเพื่อเอากําลังหมุนทางด้านปัญญาเราก็เข้ามาพักสมาธิคือความสงบใจเสีย อย่าไปกังวลกับความทีอ่อ่านไตรตรองเรื่องปัญญาเลยให้อยู่กับความสงบสงบได้ดีเท่าไรหร่ยิ่งเป็นของดีอยู่ตรงนี้พอจิตจิ่มพอในความสงบแล้วพอถอยออกมาเท่านั้นเท่นี้เอาพิจารณาทางด้านปัญญาอย่ายุ่งกับทางสมาธิปล่อยไปเลยสมาธิเหมือนเป็นคนลโลก ในขณะนั้นให้ก้าวเดินทางด้านปัญญาเมื่อเน็ดเหนื่อยเมื่อละแล้วก็ถอยมาพักสมาธินี่เป็นการก้าวเดินอย่างราบรื่นดีงามของผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้พระลูกพระหลานจำเอาไว้จำเอาไว้นะแล้วทําก้าวเดินไปอย่างนี้เรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงภูมิและอัคนิ tha เต็มภูมิ นี่ท่านเรียกว่าพระอนาคามีเต็มภูนไปเต็มที่นั่นนะต่างต่วิหาตัตปานี้ยังไม่เต็มภูนแต่ได้ได้ฐานเรียบร้อยแล้วว่าสำเร็จเป็นพระอนาคามีถ้าบันไดก็ขั้นต้น บันไดของพ ร, พระอนาคามีมีถึงห้าขั้นถ้าเทียบบันไดขั้นหนึ่งอวิหาสองอัตปาสามทุราั 4, ราสี่ทุตสสีห้ากนิถานี่ลำดับของพร ะ, พระอนาคามีที่ได้ในขั้นต้นแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนผู้รู้ธทมโดยคิด ป, ป่าพิญญาตามกล่าวเท่านี้เรากล่าวตามธรรมดาของไหรย อยู่กลางๆในของคนเราธรรมดาไม่ได้กล่าวถึงพวกอุคติแต่อยู่วิปปิกันอยู่ซึ่งรวดเร็วพอถึงปั๊บนี่พุ่งเลย อ, อาณา อ, อ, อ, อ, อ, อ, อวิหาตปาที่พุ่งทะลุถึงกันอนาคามีถึงนิพพานเลยนี่ก็เป็นประเภทหนึ่งไม่ได้นับเข้ามานี้นี่ส่วนมากนะักปฏิบัติของเรามักก้าวเดินไปตามนี่เพราะเป็น การบำเพ็ญของผู้ที่อยู่ในถ้ำาลางยากลําบากช้าก็ช้ า, ชาแต่ถึงนีเป็นอย่างนี้นะแต่ผู้ที่รวดเร็วนั้นพอบรรลุปึงปงึถึงที่สุดเลยนีเรียกว่าอุคติจันทอยู่ผู้เรียกว่ า, ค, วาคิพ ป, ปาพิญญาผู้รู้ได้เร็วต่างกันอย่างนี้แต่ให้แยกและเอานะนี่การพิจารณาทางด้ <c oughs> นานปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องอที่เหลือ กามรมาลาคานี้หลุนแรงมากหนักมากที่สุดทวงจิตใจมากทีเดียวไม่ว่าหญิงว่าชายเตนมตเพียงไม่พูดถึงกันเรานำมาพูดเฉพาะนักบวช ท, ที่เป็นผู้จะเสียสละสิ่งเหล่านี้แล้วนำมาแก้ไขจะแปลงกันจึงการแก้ไขถอดถอนกันจึงรู้สึกว่าอันนี้ยากยากจริงจริงมันให้เวลาเข้าเขา ถ, ถึงเข้าขั้นนี้ ที่จะปล่อยวางที่จะสําเร็จเป็นขั้นที่สามคืออนาคานี้ได้นั้นต้องเป็นนักมวย <c oughs> ก็เรียกว่า <c oughs> นักมวยชุนละมุนไปต่อยกันอยู่วงในหมุนติ้วที่อยู่วงในคือสติปัญญาขั้นนี้ขั้นหมุนตัวติ้วติ้อยู่กบาาอาจุพระอาจูพัง พออันนี้ผ่านได้แล้วก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมานำโดยที่นำอันนี้แหละมาฝึกมาซ้อมมาฝึกมาซ้อมอยู่โดยสม่สำเสมอก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมตัตินี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัตินี่จะเกิดที่หลังลำดับจากตามาเกเยทึ่งซึ่งฟาดกันอย่างชนมุนยุ่นมานี้ไปแล้ว พอจากนั้นก็นเป็นสติปัญญาอัตโนมัติอันนี้หมุนตัวเป็นเตียวไปเลยเพื่อพร้อมถูกนึ่งประหึ่วั น, นิพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมแล้วจากนี้ไปพอถึงขั้นอนาคาแล้วจะเหมือนดว่ามองเห็นพระนิพานอยู่ข้างหน้าข้างหน้าอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมแล้วนี่ความเห็นทอดของยิเลสทั้งหลายนี้จะเห็นอย่างเต็มใจเต็มใจเห็นอย่างถึงใจถึงใจความเห็นคุณ ของการหนูพ้นก็มีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นท่านถึงได้หมุนตัวเป็นอัตโนมัติของสติปัญญายับรอไม่ได้เลยหมุนทที่่อยูี่อยู่นี่สติปัญญาอตนมัตินี่คือสติปัญญาแก้กิเลสฆ่าี่เลยไป็นอัตโนมัติไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนอเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นนอนขึ้นมาสติปัญญานี้จะจับงานอัตโนมัติของตัวแล้วเป็นลาดับลำดา <c oughs> นี่คือสติปัญญาอัตโนมัติทํางานแก้กิเลสเป็นอัตโนมตัติทีนี้เรื่องการความภาคความเพียรที่เราจะหมุหนหมุนอย่างที่ว่าเพียรพยายามถูไถยกันไปอย่างนี้ไม่มในวงในในวงนี้วงที่ว่าสติอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมตัติมีจะหมุนตัวไปเองเพื่อความพ้นทุกเพื่อความพ้นทุกแก้กิเลสโดยอัตโนมตัติ อยู่ที่ไหนแก้ตลอดแก้ตลอดไม่มีความวาพักจึงต้องย้อนติดอัตโนมัติสติปัญญาธรรมะนี่เข้าสูงสมาธิคือความสงบไม่เช่นนั้นจะไม่อยู่ตเลิดเปิดเปิ ด, ปดมันจะเลยเถิดนี่ท่านก็สอนให้ย้อนเข้ามาถึงจะเป็นการแก้ที่เหลือด้วยความเพลินใจก็ตามเมื่อกําลังวางชาไม่พอมันก็เหมือนเนมีดท้องเหล่านี้มันไม่คมฟันไป อะไรมันก็ไม่ขาดง่ายๆทีนี้ถอยมาเหมือนมันมัดรับหินได้จะเข้าสู่สมาธิหรือนอนพักกลับ่ยเมื่อพักหลับแล้วก็เป็นกำลังอันหนึ่งทางธาตุทางขันพักอกีเข้าสู่สมาธิเป็นกำลังอันหนึ่งทางปีจใจและธาตุขันก็ได้กำลังมันหนุนอันนี้อีนี่ก้าวเดินต่อไปอีกนี่ฟังให้ดีนะมันดาท่านทั้งหลายวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ พระหลวงตาจะได้สอนพระลูกพระหลานให้เป็นคติเครื่องเตือนใจนำไปปฏิบัติเพื่อก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานซึ่งสัตวร้อนตามทางสัตยดาที่สอนไว้นี้ไม่คือแม่ล้าสมัยไปไหนแล้วให้พิจารณาอย่างที่ว่านี่นี่แหละขั้นสติปัญญาตนมัติพอจากนี้หมุนเข้าไปละเอียดรอเข้าไปละเอียดรอดเข้าไปแล้วก็เชื่อมโยงถึงมหาสติมหาปัญญา เพียงขัน้นสติปัญญาตโนมัตินี่ก็ไม่มีเผลอแล้วล่ะเผลอหกเผลอสติสตางเผลอไม่มีแล้วอืพอก้าวเขาสู่มารถิปัญญานอกจากไม่เผลอแล้วยังละเอียดลอซึมซาบไปหมดเลยสติปัญญาอตโนมัตินี่ยังยังเป็นคลื่นเป็นคลื่นถ้าทํางานก็เหลือเหมือนเขาฟักลาบยําลาบ ถึงจะยาทียิบขนาดไหนมันก็เป็นขื่นแห่งการยำราบอยู่นั่นแหละทีนี้พอก้าวจากะ ส, ะสติปัญญาธรรมะนี่ก้าวเข้าไปสู่มหาสติมหาปัญญาที่นี่าบลื่นไปเลยซอมทราบผ้ายิเลนก็ซอมทราบอะไรซอมทราบทั้งหมดนี่ไปตา ม, ตามกันนี่เรียกว่ามหาสติพรรมั ญ, ญาให้มันคลองในหัวใจของเราสิ ทำมาวยเจ้าสบส น, น้อนสอนไว้เพื่อใครถ้าไม่สอนไว้เพื่อผู้ว่าจะอธิบัติคือพวกเราเองนี่ละที่เรียกว่ามหาสีมัปัญญามีการพิญญาสติปัญญาตโนมัติก็ถือเอาขั้นอนาคานิอารมณ์ของอนาคานิมิตของอนาคานี่ฝึกซ้อมจนจำเนจรจำนานแนละ้วกลายเป็นว่างไปหมดนะนี่ที่นำหมดนิมิตที่เกี่ยวกับจิตซึ่งเรามาตั้งฝึกซ้อมนี่หมดไปหมดไปหมดเล่วก็เลยเาสุดท้ายหมด กั้งขึ้นพับดับพร้อมดับพร้อมเหมือนฟ้าแลบฟ้าแลบต่อไปอย่างนั้นไม่มีไม่มีจะเป็นอะไรที่นี่นะมันจิตมันว่างไปหมดแล้วนะจากนั้นก็พิกมันนักเป็นเองสิ่งที่มีเงื่อนต่อมันมีเหมือนกับไฟได้เชือ้อเชื้อไฟมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปตามเชือ้อโดยไม่บังคับอันนลยขอให้มีเชื้อไฟเถอะ ไฟจะลุกลามไปตามอันนี้ขอให้มีเชือกยิเลตอยู่ที่ตรงไหนทติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับไฟความภาคความเพียรเหมือนกับไฟจหมุนเข้าไปพิจารณาชั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ที่นี่เวทนา ก, ก็ถือเวทนาทางกายบ้างถือเวทนาทางจิตส่วนมากจะเป็นเวทนาทางจิตนะทางกายผ่านไปแล้วไม่ค่อยสนใจนี่สัญญาสังขารวิญญาณมากจะมีแต่สุขเวทนาภายในจิตใจ ทุกกเวทนามีแต่ว่าน้อยน้อยลงไปโดยลำดับสุขระเวทนานั้นเด่นเด่นนี่ก็อยู่ในขั้นสมมติสัญญาสัางขารอิญญาณเฉพาะอย่างยิ่งคือสังขารพอปรุงแผลพอปรุงแผลปรุงมาจากไหนปรุงมาจากใจ ด, ดับไปดับไปไหนมาจากใจสัญญาหมายปั๊บ มาจากไหนนะสติปัญญานี่จะหมุนตามหมุนตามทันทีโดยหลักธรรมาชาติแล้วสุดท้ายมันก็หมุนออกออกจากใจหมุนเข้ามาก็หมุนเข้ามาสู่ใจติดตามเข้าไปหาพระราชาวังหลวงคืออวิชชาปัจจยาสร้างทาลาได้แจ่กษัตริย์วัตจักรอยู่ในถ้ำกลางนี้แหละ อ, อวิชชานี่เป็นกำแพง ล้อมอาไว้ตัวอวิชายจริ ง, รงอยู่ในกำแพงเพราะนั้นจึงติดตามเหล่านี้เข้าไปติดตามมานี่เข้าไปเรื่อยฝึกซ้อมกันเรื่อยพอมันเข้าใจเข้าใจหลายครั้งหลายหนเข้าใจเรื่อยๆไปก็ตามเข้าไปถึงอวิชาปัจจะยาสร้างข่ารัก <c oughs> ตายเป็นปัจจยาการขึ้นมาภายในจิตดวงนั้นหนักเนียวอริยสัจสี่ <c oughs> เป็นเต็มตัวแล้วเข้าไปนั้น เนื้กิจมันตางกันไปหลายครั้งเราก็ไปเห็นต้นเตา อ, อันใหญ่หลวงคืออวิชชาปัญญาซึ่งเป็นกษัตริย์วัตจักรภายในหัวใจของเราเ <c oughs> พราะสิ่งอื่นมันต่อยหมดแล้วจิตใจว่างไปหมด <c oughs> ทั้งๆที่กิจก็ยังไม่ว่างตัวเองแต่สิ่งภายนอกทั้งหลายมันว่างไปหมดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศวัตถุต่างๆนี่ว่างไปหมดไม่มีอะไรจิตใจจิตใจกลายเป็นความว่างไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ ภายในตัวเองยังไม่ว่างนั่น <c oughs> นี่อ่านให้มันถึงอย่ัง้นทีนักปฏิบัติให้ถึงตัวอะไรยังไม่ว่างก็อวิชาปัจญาสั้นทาลายยังสําคัญว่าอ น, นั้นว่างนี้ว่างตัวเองลืมตัวเองตัวเองยังไม่ว่างนั้นให้ย้อนเข้ามาจนกระทั่งได้ถึงตัวจริงของอวิชานี่พูดเป็นแนวทางให้พระดุพระหลานทั้งหลายสั่งเพื่อจะยึดนะนี่ทอออกมาจากความจริงจากภาคปฏิบัติของตัวเอง มาเล่าให้บรรดาลูกหลานฟังแล้วก็ให้พิจารณาย้อนหน้าหลังถึงมันก็เข้าถึงจิตตะวิชาเนี่ยวิชาครอบงำจิตไว้ในโลกอันนี้มีแต่วิชาครอบอยู่ฉะนั้นพอเปิดอันนี้ไปจิตก็ต้าขึ้นมาเต็มจักเต็มส่วน เต็มเต็มมรักเต็มผลเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วทีนี้ตัวในจิตเองก็ว่างภายนอกก็ว่างว่างหมดทั้งภายในมากว่างหมดทั้งภายนอกไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้เลยเป็นมีมุติจิตมุติธรรมหรือเป็นธรรมธาตุล้วนๆปรากฏเด่นขึ้นมาที่เรียกว่าสมมุติไม่มีเลยในจิตดวงนี้ จิตอันนี้ว่าง่าคำว่าว่างจากสมมุติทั้งหมดไม่มีอะไรเลยเหลือติวิบุติธรรมที่เป็นหลักธรม ร, กธรมชาติแท้นิรกิตเข้าถึงธรรมชาติแท้คือจิตนี้เป็นธรรมธาตุเป็นมหาวิมุติเป็นมหานิพานเป็นธรรมธาตุเป็นอมรเป็นอมตะจิตเป็นอมตะธรรมสมกับว่าจิตนี้ไม่เคยตายจิตนี้ไม่เคยตายที่สุดแห่งความไม่เคยตายของจิตคืออะไร คือธรรมธาตุจีตถึงมุดหลุดพ้นนีกว่าถึงธรรมธาตุแล้วที่หายสงสัยว่าจิตตรงนี้ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมันล้วหายสงสัย1้อยเปอร์หรือว่าล้านเปอร์เซนต์นี่แหละ ให้ท่านทั้งหลายเดยาทราบผู้ปฏิบัติตัางหลายทั้งพระทั้งประชาชนอย่ามามัวเกาหมัดอยู่ว่าเจ้าของเกิดตายมากี่กับกี่กันแล้วก็มาตื่นเงาเจ้าของหลงเงาเจ้าของว่าเกิดตายแล้วศูญตายแล้วศูญ น, นี่ละมันศูญได้ยังไงมันลงปนานรกอเวจีมากี่กับกี่กันทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นมันก็ไม่สูญ น, นั่นเอง ยอมรับความทรทุกข์ทรมานพอบาปกรรมค่อยจางไปยังไปจากนรกหลุมนั้นเลื่อนมาหลุมนี้แล้วจิตใจก็เป็นจิตอยู่อย่างนั้นแหละรับความทุกข์ควารทรมานน้อยลงน้อยหลงตามอํานาจแห่งกรําของตนที่เบาลงเบาลงแล้วถอยขึ้นมาเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เป็นจักรอะไรมันก็จิตดวงนี้แหละไปเกิดอยู่ตลอดเวลาตามอํานาจแห่งตําหนักเบามากน้อยเลื่อยไปเลื่อยไปจนมาเป็นผู้เป็นคนอย่างนี้เราอย่างเรานี่แหละ นี่เราก็มาจับจิบดวงที่ไม่เคยตายกันแหละมาอยู่นี้อาตายจากนี้แล้วก็จะไปเกิดอยู่นะทีนี้ความไปเกิดของจิต ด, ดวงนี้จะไปเกิดที่ไหนเราได้ความแน่นอนแล้วยังนี่ถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วแน่นอนเป็นลำดับดังที่กล่าวนี้จากภาคปฏิบัติจากแน่นอนเป็นลำดับลำดาไปเลยเพราะว่าอย่างเช่นนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้มนั่นแหละที่สุดแห่ง สมมุติทั้งหลายจะไปสุดทิ่นที่ตรงนั้นวิมุตหังขึ้นมาแล้วจิตบริสุทธิ์ไม่มีสมมุติแม้นิดหนึ่งปรากฏเลย <c oughs> จิตดวงที่บริสุทธิ์จิตดวงที่เคยเกิดเคยตายมาเหมือนกับ <c oughs> สัตว์ทั้งหลายโทษแดนโลกธาตุนี้ขาดสะบันลงไปในขณนะที่ <c oughs> จิตตาวิชาขาดลงไปจากใด จ, จิตกรองวิมุติหลุดพราไม่มี <c oughs> สมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเ จ, จา้าจิตของพระอรหัน <c> ต <oughs> ท่านจะไม่เคยมีทุกข์ตั้งแต่ขณะท่านตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นแล้วจากนั้นไปเป็นอนันตการตั้งกับตั้งกันเนียกว่าเที่ยงท่านไม่เคยมีทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งแต่ขณะท่านตรัสรูธราารสร้ธรรมคามัตรฐารู้คือสังหารพิเรตตัวเป็นเจ้าเหตุสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อย วิริยะมีมากมีน้อยสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อยให้รับความลำบากลาบนมากน้อยพอวิเิยะนี้ขาดซึ่งเป็นตัวสร้างทุกข์นี้ขาดจะบ้นลงไปจากจิตใจแล้วไม่มีสมมุติในใจเลยแล้วทุกข์ก็ไม่มีวิเิยะไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์ใน ใ, ในใจของพระอรหันต์จึงไม่มีตั้งแต่ขณะท่านตรัสจะรู้แล้วส่วนความทุกข์ทางท่าทางขันร่างกายนี้มีเหมือนกันกับโรคทั่วๆั่ไป เ <c oughs> พราะเหตุใดเพราะธาตุขันนี่เป็นสมมติเหมือนกับสมมติของโลกตั้งหลายเช่นร่างกายของเขาของเราเป็นเหมือนกันเมื่อไปทนะนั้นความทุกข์ประจําขันจึงมีเหมือนกันมีเจ็บล้องปวดซีสะ ป, ปวดหัวตลอดมีหิวมีกระหายเหมือนกันแต่มันไม่เข้าถึงจิตท่านก็รู้อยู่แล้วว่าหิวนั้นหายนี่เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้รู้ไดเฉยจิต ที่บริสุทธิ์แล้วจะไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยหากเป็นหลักธรรมชาติเป็นอาถานะเหรือว่าเป็นคนเราฝังแล้วนี่สิ่งที่ท่านรับทราบจะไม่ใช่ธราท่า น, า น, านรับทุกจากกันนะท่านรับทราบ <c oughs> จากกันที่แสดงตัวอย่างความคิดความตรุงเรื่องอะไรสัญญาอารมณ์ท่านก็มีเหมือนเราแต่ท่านไม่ติดมันก็เป็นเครื่องมือของธรรมไป แต่ก่อนธาตุขันนี่เป็นเครื่องมือของที่เหล็กข้ามชิดบุงอะไรขึ้นมาเนี่ยยิเหล็กบ่งการออกมาบ่งการออกมาท่านถึงกล่าวว่าอวิชชาปัจิยาสร้างข้าราอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารธาตุสร้างขาา้าลาปยาบิญยานางเรื่อยไปเลยมันหนุนใหไปเป็นสังขารบิญญาณนามรูปเรื่อยจนกระทั่งถึงชาตินี่แหละที่นี่ท่านกระดูว่า เอวเมตัสัจเจวรลาสัจดุจจคันตัสัจสมุทรโยโหติ <c oughs> เหล่านี้เป็นสมุทรไทยการเกิดตายทั้งนั้นนั่นนี้พรายิจานาถถอนอวิชาไปแล้วสังขารก็ดับอวิชามะตะอวิชายะตะเวมาเซสวีลากาเนิโรตาสร้างขาลานิโรเลื่อยไปจนกระทั่งเนี้โรโทโห์ติเหล่านี้เป็น มีมดความดับทุกทั้งนั้นนั่นอวิชาดับเสียอย่างเดียวแต่นั้นทุกทั้งหลายดับเพราะฉะนั้นสังขารที่ชิดที่ปรุงว <c oughs> ิญญาณรับทราบในขันทั้งห้านี้จึงกลายเป็นเครื่องมือของติดที่บริสุทธิ์ไปไม่เกิดกิเลสไม่มีกิเลส เ, เพราะขันเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนขันนี่เป็นทําให้ เ, เป็นกิเลสทัวขันจริงๆไม่เป็นกิเลสแต่อวิชาคือตัวกิเลสนั่นแหละมันบ่งตามออกมา ให้ให้ให้เป็นเป็นเจลีอเ <c oughs> ช่นเบทนาสัญญาสัญกาวเนี่ยมันหลงทั้งนั้นละหลังฐานความคิดความปรุงวิญญาณของเราลาบทราบอะไรเป็นเจลีนไปเรื่อยๆทอตัวใหญ่มันอาวิชาพาให้เป็นเจลีนนี่มันยึดด้วยถือด้วยในขันทั้งนั้นมันถือว่าเราเป็นของเราเต็มตัว ทีนี้พอจิตได้หลุดพ้นจากนี้แล้วล้อวิชชาแล้วนะตาเวรวาดิ์ดับหมดเมื่อดับแล้วก็สังขารก็ไม่มีไม่มีขี้เหลไม่เป็นสมุทรไทยวิญญาณอะไรไม่เป็นสมุทรไทยเป็นแต่เครื่องมือของธรรมแต่ท่านไม่ยึดไม่ถือทำเป็นเจ้าของของขันนี้ท่านไม่ยึดใช้ไปถึงวันนิพพานนี้เท่านั้นแต่ที่เหล็ยกยึดกระทั่งวันตาย <c oughs> ไม่มีวัน ถอยละนี่ตั้งกันอย่างนี้ขันเป็นขันของพระละหาันส่วนขันของของกิเลสนั้นมันเป็นเราเป็นเขาแป็นหมดนี้ให้พากันจํำ <c oughs> ด้วยเห็นนี่เองพระลรหรันท่านจึงไม่มีจิตไม่มีทุกในจิตท่านทุกในจิตไม่มีเลยตั้งแต่ขณะท่านาตรัสรู้ทำมีก็คือว่าบรมมาสุขบรมมาสุขนั้นเป็นถูกนอกสมมูลก็เป็นความเที่ยงเหมือนกันนั่น คือเป็นสุขในหลักธรรมชาติไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนสุขทุกข์เฉยๆของเวทนาแห่งสมมูิทั้งหลายอันนั้นเป็นท่้งศักด์แต่ว่าตั้งขึ้นอย่างนั้นแหละนี่ว่าบรมสุขวโรสุขท่านผู้ครองบรมสุขแล้วท่านไม่สงสัยท่านไม่ติดกับอะไรท่านไม่ตื่นเต้น แต่แยกออกมาเป็นสมมติให้เราทั้งหลายที่ก้ากำลังก้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานหรือวิมุต t นั้นให้พากันเข้าใจเอาไว้เท่านั้นแหละ <c oughs> นี่เป็นเรื่องสำคัญจากภาคปฏิบัติมาสุดสิ้นที่ตรงนี้ตรงพิจารณาด้วยจิตตาภาวนาเลื่อยไปจนกระทั่งถึงสมาธิปัญญาวิมุตตูดพ้นเป็นลาดับลำดานนี้กิเลสก็เป็นนั้นว่าดูด ตั้งแต่ที่เหล็อขาดสบันไปจากใจแล้วพระอรหันท่านไม่ได้ทำความเพียรเพื่อละกิเหลืตัวใดไม่มีแต่ท่านจึงแสดงไว้ในธรรมว่าวุชิตังพระมาจดาหยางกะตังกรณีอยางนั้นเศรษกิจพระมจรรันทร์คือการละการถอนทิเหลืการบำเพ็ญธรรมกับ ก, การถอนทิเหลืมันก็เกี่ยวโยงกันอยู่นั่นแหละนะ การบำเพ็ญธรรมหรือการละกิเลสด ไ, ดได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั่นบูิตังธระมจจิยังแปลว่าการพรม ร, รมจันได้อยู่จบแล้วจิตที่ควรทำก็คือการละกิเลสนั่นเองก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้ ว, ลวนาพลังอิสตายาติจิตอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีนั่นตัวเหตุยนี่เองพระหรหันท่านจึงไม่เคยละแก่ภาวนาเพื่อละกิเลสตัวใดการภาวนาของพระหรหัน ของพระพุทธเจ้าดีไมด่ดีเราสู้ท่านไม่ได้นะ <c oughs> เพราะเหตุอะไรทั้งๆที่ท่านมาเลยภาวนาเพาเื่อรักเลแต่เหตุจำเป็นที่ท่านจะบำเพ็ญหรือภาวนาอยู่นั้นมีประจําขันของพระอาจร์มีเช่นเกี่ยวข้องกับาธาตุกรรมขัน เพื่อบรรเทาธาตุขันในเอียบดต่างๆยืนเดินยืนนอนยืนนานก็ทุกเดินนานก็ทุกนอนนานก็ทุกนั่งนานก็ทุกเพื่อบรรเทากันให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีในระหว่างขันกับจิตที่คลองกันอยู่นี้จากนั้นก็เข้าสู่สมาธเิเพื่อสงบอารมณ์คือขันภายนอกที่จะนาร้านอาจด้านธรรมภายในใจิตใจ อเอาอย่างพระอุเอเจ้านั่นก็สองโลกธาตุวางอันเถะนนี่พิจารณาเรืงยาดูสตัตว์ตโลกด้วยจิตที่บริสุทธิแล้วนั้นนี่พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วพระหัน์ท่านกระทำเต็มภูมิของท่านพิจารณาเต็มภูมิเต็มรางของท่านนั่นแหละนี่มีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเพื่อบันเทาขันประเภทที่สองเพื่อพิจารณาเรื่อง อาจเรื่องทำทั้งหลายส่วนพิจารณาท่านเองท่านไม่มีพิจารณาเกี่ยวกับสัตว์โลกดู <c oughs> สัตว์โลกต่างๆนี่แหะท่านว่าท่านเพื่ออยู่เป็นตุกในทิฏฐธรรมคือเวลายังครองขันอยู่ท่านต้เดินจงกรมนั่งสมาิภาวนาเหมือนเหล่านั้นแหละในการภาวนาใน <c oughs> ท่านผู้ที่สิ้ล็กแล้วมีสองประเภทต่าวนี้ประเภทที่หนึ่งเพื่อบรรเทาธาตุขันประเภทที่สองเพื่อพิจารณาจิต กับธรรมทั้งหลายเกี่ยวกับสัตว์โลกทั้งหลายมีความดึกตื่นหนาบางอย่างละเอียดตลอดถึงสัตว์โลกเป็นยังไงยังไงจะรู้ในเวลาท่านพิจารณานี่แจมแจ้งขึง้นอันหนึ่งอันหนึ่งอยู่ธรรม ด, ดาท่านก็รู้ตามธรรม ด, ดาถ้ทาทำพิจารณานะั้นก็ยิ่งละเอยียดรอเข้าไปรู้มากเข้าไปโดยลําดับลาดานี่ผลเนี่ยการปฏิบัติธรรมของ ผู้บำเพ็ญทั้งหลายขอให้พาลูกพาหลานตลอดประชาชนลูกหลานทั้งหลายจำเอาการพูดทั้งนี้เราพูดเอาเป็นแบบฉบับได้เลยเพราะหลวงตาไม่สงสัยแล้วสิ่งนี้ถอดออกมาจากหัวใจท้งนั้นวิธีการดำเนินแบบไหนแบบไหนถอดลงวมาจากการดำเนินของตัวเองจนกระทั่งรู้เห็นประการใดถอดออกมาหมดจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้น คิดมันผ่านไปก็บอกว่าผ่านไปหลุดพ้นก็เบอกหลุดพ้นเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับและปลูกจิตหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจของผู้บำเพ็ญทั้งหลาย <c oughs> ว่ามรค น, นิพานไม่ได้อยู่ตามดินฟ้าอากาศไม่อยู่ตามเวล่องเวลาเวลานั้นสิ่งเวลานี้สุดในผู้ที่แก่นิพานอยู่เมืองอินเดียเราอยู่เมงไทยนี่ไม่มีหวังแล้วนั่นมันคิดไปอย่างนั้นนะนี่มันไม่ใช่ากาลิโกมันเป็นกาลิโกเอา การเอาเวลามาเหยียบมาบิบปี้สีไฟการบําเพ็ญธรรมมันก็เข้าแต่ไม่ได้ยิ่งเลกมันไม่เห็นมีเวลาเวลาความโลภเกิดได้ทุกเวลาความโกรธราคะตัณหาเกิดได้ทุกเวลานั่นทีนี้การบําเพ็ญธรรมเพื่อดับยิ่เดชทั้งหลายเหล่านี้ทําไม่ดิ้งดับไม่ได้ทุกเวลาเพราะเป็นของคู่เแียงกันดับกันได้ทั้งนั้นเนี่ย เราจะไปกล่าวถึงเรื่องสมัยนั้นสมัยนี้อย่าไปคิดเรื่องที่ เ, ลเหลกหลอกลวงทั้งนั้นให้บำเพ็ญตัวเองทิ่เละจริงๆมันเกิดอยู่กับใจของเรามันไม่ได้เกิดอยู่กับการนั่งสถานนี้นะฉะนันเกิดอยู่กับใจให้แก่ตัวเองด้วยอัดด้วยธรรมตลอดเวลานี่วันนี้ก็ได้แสดงถึงอัดธรรมให้บรรดาพระลูกพันลานทั้งหลายได้ยินได้ฟังในอัดธรรมสมกับสาศาสนาพุทของเรา ศาสนาธรรมของเหล่านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพานตลอดมาและจะตลอดไปถ้าผู้ปฏิบัติตามสารัทธธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนี้มีอยู่มากน้อยเพียงไรผู้ทรงมากทรงผลจากผลแห่งการปฏิบัติของตนจากเหตุแห่งการปฏิบัติของตนจะได้รับผลเป็นที่พอใจตลอดกันตลอดไปตามกําลังความสามารถของตนนั่นแหละวันนี้การ แสดงธรรมให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายฟังพ่อคิดว่าจะพอได้แนวทางให้พากันตั้งใจปฏิบัติยาสายแสหาเรื่องโลกยังสารหาฝืนหาไฟให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสมกับเราเป็นบรรพชิตคือนักบวชบวชแล้วหน้าที่ของเรามีการชำระวิเศกตัณหาชาระชั่ว ด, ด้วยการทำดีตลอดไปนี่ถูกต้องนะ อย่าเสาะอย่าแสวงหาเรื่องที่เด็กตัณหามันเต็มหัวใจของเราอยู่แล้วให้ชำระสาสางออกไปให้เบาๆธรรมจะได้งอกเงยขึ้นมาใจของเราจะมีความสงบร่มเย็ดถ้าเป็นผลมากกว่านั้นก็เป็นมหามงคลแก่ตนด้วยแก่โลกทั้งหลายที่เขารขบปูชาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าพุทธทางสนมกระฉามีทมํามบงสังทางสนางกามินี่เป็นมหามงคลแก่ชาวพุทธของเราเพราะ ท่านได้บัพเพิญมาแล้วอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วมาแจกจ่าย ใ, ให้ประชาชนจัดโลกทั้งหลายได้รับความสุขความเจริญนี่ก็ขอให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติให้เป็นที่มงคลแก่ตนให้มีความมิตรายต่อบาปต่อกรมเพราะถึงนี้มันเคยเผาพรานโลกมานานแล้วบุญกุศลเป็นเครื่องหนุนจิตใจของเรามานานให้บัเพญทางุกุศลให้มากด้วยความเป็นผู้มีสิมีธรรมประจำใจ ผู้ใดมีศีลมีธรรมประจําใจมีหิทธิอตุตตปะสรุปต่อต่อบาปต่อกรรมระมัดระวังตนอเสมอสังหรณ์ระวังด้วยศีลด้วยธรรมแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีศาสดาประจําตนศาสดาคืออะไรคือธรรมและววินัยนั่นแหล่ที่พระพุทธเจ้าเคยทานไว้แล้วว่าธรรมแล้ววินัยนั่นแหล่จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราแตถาคน เมื่อเราตายไปแล้วนี่เมื่อไปชนนั้นใครเป็นผู้เขารบทาไม่ไหนทอทุนทำไม่ไหนด้วยการปฏิบัติ ด, ดีไปว่าชอบผู้นั้นแหละคือมีศาสตาปกครองไปตลอดเลยผู้ใดไม่มีธรรมมีไ ม, มไม่ไหนแม้หัวล้นล้นอย่างพวกพราของเราก็หัวล้นเฉยๆไม่มีใครตํานิหัวล้นพราเนี่เขาตํหนีนะทําไม่ดีไม่ถูก นี่ประจำมานะบรรดาพระลูกพรหลานอยามีศาสดาประจําตนขอให้มี ท, ทำมีที่ไหนประจําตนจะมีาศาสดาประจําเราไปที่ไหนก็ไปกับาศาสดาไปกับพระพุทธเจ้าแล้วจากเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงตั้งแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแปรปานเวลาและท่าสันที่อาํานวยเพียงแค่นี้ยิ่ขอความสวัสดี เป็นมงคลตรงมีกับแต่บรรดาพระบูทธาหลานทั้งหลายตลอดประชาชนพีน้องชาวพุทธทั้งหลายโดยทั่วกันเทอนลอยขึ้นบนพ้นมาแต่บวยังมีสายพระธรรมคือทางไว้ให้ลูกล้านเด็กตามร้อยบุ <building>